ซีดีธรรมบัญญายชุดจารึกบุญจารึกธรรมโดยพระพรหมคุณาพรปออประยุตโตวัดยาณเวสศ ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมตอนที่สองเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับบัญญายที่พระมูลละคันทกุดี เขาคิชกูรเมืองราชคฤห์ประเทศอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ที่12 wow กุมภาพันธ์พุทธศักราช2538เวลา17นาฬิกา45นาทีอเจริญทอนโยมผู้ศรัทธาทุกท่านขณะนี้เราได้มานั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ประทับของพระองค์คือพระมูลคันตะกุดี โดยที่ว่าเราได้เดินทางมาในเส้นทางบุญญาจาริกตามลําดับมาตอนเช้านี้เรามาถึงที่เมืองปัตตนะหรือเมืองปาตารีบุตรซึ่งก็ได้เล่าให้โยมฟังแล้วว่าเป็นสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งที่พระพุทธศาสนา เผยแพร่ออกไปจากชมบูทวีปไปสู่ประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้าโศกมหาราชเมื่อ230กว่าปีหลังพุทธกาลหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อมาจนกระทั่งมาถึงเมืองนารันธาแล้วก็ได้เดินทางมาอย่างที่เมืองราชครื ตามลำดับขณะนี้เรามาถึงเมืองราชคลีแล้วเมืองราชคลีนี้ก็เป็นเมืองหลวงเก่าของแคว้นมคธเมืองปาตลิบุตรมีความสําคัญในสมัยหลังพุทธกาลในฐานะที่เป็นแหล่งที่คําสอนของพระพุทธศาสนาออกไปสู่ประเทศต่างๆนี่เรามาถึงเมืองราชคลีนี้ก็ยิ่งมีความสําคัญมากขึ้นเพราะเป็น ที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเลยทีเดียวก่อนที่พระพุทธศาสนาจะไปแผ่ออกจากเมืองปตาตลีบุตรไปยังประเทศต่างๆได้ก็ต้องมาเริ่มต้นที่นี่ก่อนเมืองทั้งสองนี้มีความสําคัญด้วยกันทั้งคู่ทว่าในทางการเมืองแล้วก็มีความสําคัญในแง่ที่ว่าทั้งสองแห่งก็เป็นเมืองหลวงของแคว้นมคต ด, ด้วยกันดังที่กล่าวแล้วว่าปตาตลีบุตรเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคต หลังพุทธกาลส่วนราชคลีนีเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธในสมัยพุทธกาลนี่ในทางการเมืองก็มีความเหมือนกันอย่างนี้ในทางศาสนาก็เหมือนกันในแง่ที่ว่าเป็นศูนย์กลางที่พระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไปสําหรับเมืองราชคลีนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประดิษฐานพระพุทธศาสนาและมีความสำคัญกับพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ก็เคยเสด็จมาที่นี่เมื่อเสด็จออกบรรพชาแล้วดังที่เราทราบกันว่าได้เสด็จมาที่แม่น้ําอโนมาแล้วก็อธิษฐานเพศบพรรพชาตัดพระเมรีที่นั่นแล้วต่อมาก็เสด็จมาที่เมืองราชคฤนี้พระเจ้าพิมพิสารได้ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จบิดาบาทอยู่แล้วก็ได้ ทรงมีความเลื่อมใสแล้วก็ได้ทรงสนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รับพรจากพระพุทธเจ้าคือเป็น ค, คําคล้ายๆปฏิญาณจากพระพุทธเจ้าขอให้พระองค์รับว่าเมื่อทรงคนพบสัจธรรมแล้วก็ขอให้เสด็จมาอย่างเมืองราชคลีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าบรรลุโพธิญาณตรัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว หลวงก็ได้เสด็จมาปฏิสถานพุทธศาสนาที่เมืองราชคลีนี้ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่าทรงปฏิบัติตามพุทธปฏิยานที่ได้ประธานไว้แก่พระเจ้าพิมพิสารแต่ว่าในแง่หนึ่งก็มองในแง่กิจการของพุทธศาสนาก็ถือว่ามีความสําคัญในฐานะที่ว่าเมืองนี้เป็นเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลางของกิจการบ้านเมืองพระเจ้า ยอบทรงเลือกว่าจะให้พระพุทธศาสนาเจริญแพร่หลายต่อไปนั้นจะเริ่มต้นที่ใดก็ปรากฏว่าเมืองราชคลีนี้ก็ได้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศาสนาเมื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาทรงมาแสดงธรรมที่นี่ทําให้พระเจ้าพิมพิสารได้ดวงตาเห็นธรรมปฏิญาณตนเป็นพุทธมาม ก, กะแล้วก็เหตุการณ์สําคัญ สิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในพุทธศาสนาหลายอย่างก็เกิดขึ้นที่นี้ก็คือการถวายวัดเวรุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นที่เมือง น, นี้ซึ่งเข้าใจพรุ่งนี้คงจะมีเวลาที่จะไปแวะเยี่ยมเยือนวัดพระเวรุวันด้วยแล้วก็ประจวบกับตอนช่วงนี้ก็จะถึงวันมาคาบูชาซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ พระเวรุวันนั้นด้วยก็นับว่าเป็นเวลาที่เหมาะที่เราจะได้ไปนมัส ก, การพระพุทธเจ้าที่เวรุวันนั้นด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาและพระพุทธเจ้าทรงมเป็นพุทธกิจที่เมืองราชคลึดนี้ในพรรษาแรกนี้พุทธกิจนี้ดําเนินก้าหน้าไปเป็นอย่างมากที่ควรกล่าวว่อีกอย่างหนึ่งก็คือการได้พระ ค, คัศกรรมคือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่ชาพุทเรานิยมเรียกกันว่าพระโมคขาลาสาริบุตรในการได้ภาะาษาตรก็มาเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปแต่ว่าจุดสำคัญที่เป็นจุดสุดยอดศูนย์กลางพุทธกิจของเมืองราชครึ ก, ก็คือที่นี่ที่พระมูลครตะกุดีนี้ซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ประเสริประทับที่นี่เราเรียกว่าเป็นศูนย์กลางพุธกิจ เพราะว่ากิจการพุทธศาสนาต้องเริ่มต้นไปจากองค์พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่ก็ถึงเป็นจุดสุดยอดทีเดียวเป็นจุดศูนย์กลางของเมืองราชครื้อีกทีหนึ่งเมื่อเราถือว่าเมืองราชครื้เป็นศูนย์กลางของการปฏิสถานพุทธศาสนาก็ถึงถือว่าพระมูลคตันคันตกุฎีนี้เป็นจุดศูนย์กลางของการปฏิสถานพระพุทธศาสน า, อ, า, ส า, น า, สนาอีกชั้นหนึ่งด้วยและอีกประการหนึ่งก็ เมืองราชาคลึยังมีความสำคัญในหลังพุทธกาลก็คือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วพระมหาสาวกทั้งหลายก็ได้เลือกเอมืองราชาคลึนี่แหละเป็นที่ทาสังฆนาครั้งที่หนึ่งการสังฆนานั้นก็ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาหลังพุทธกาล คือพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ก็ถือว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาการปฏิบัติศาสนกิจของพระองค์ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่พระพุทธศาสนาจะเผยแผ่ไปแต่นี้หลังพุทธการแล้วพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเมื่อพระองค์ล่วงลับไปพระธรรมวินัยที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้และบัญญัติไว้จะเป็นศาสดาแทนพระองค์ แต่เมื่อพระพุทธเจ้าปรจจุบันนี้านไปพระมหาสาวกทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นประธานก็มาประรบว่าพระธรรมวิไนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อาจจะกระจัดกระจายและลือนลางหายไปได้ก็จึงได้มีการตกลงกันมีมติว่าจะประชุมกันทําสังขยานนาอารัธนาพระธรรมวิไนเนี่ยมาเป็นองค์พระศ า, าสดาสืบต่อแทนองค์พระพุทธเจ้าัละก็เป็นการเริ่มต้น เหตุการณ์ครั้งใหญ่ของพุทธศาสนาหลังพุทธกาลจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งหลังพุทธกาลก็เริ่มต้นที่นี่เพราะฉะนั้นเมืองราชคลีจึงมีความสําคัญมากสําคัญทั้งในแง่ของการเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของงานพุทศาสนาคือการสังเกตนาหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเรามาถึงเมืองนี้มีความสําคัญและดังที่ได้กล่าวแล้วว่า ที่มูลคันทกุดีบนยอดเขาขิเชกูดแห่งนี้แหละที่เป็นศูนย์กลางของการบําเพ็ญพุทธกิจและการปฏิบัติกิจในาศาสนาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราได้มาถึงที่นี่แล้วจึงควรจะได้มีความปรับรื่มใจมีปิติอิ่มใจว่าเราได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงสถานที่ประทับของพระองค์พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสประทานพระโอวาทไว้ทรงสั่งสอนหนึ่งเนือง ว่าแม้พระรู ป, ปกายของพระองค์คือพระองค์จะล่วงลับไปแต่พระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงแสดงไว้ก็ยังคงอยู่มองในแง่หนึ่งนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าในแง่นี้ก็ให้ทั้งเรื่องของศ ร, รัท ธ, ธาและกัปัญญาคือในแง่หนึ่งเราก็อยากจะมาเฝ้านมัสการพระพุทธเจ้าไปดูไปรู้ไปเห็นไปเยือนสถานที่สําคัญที่เกี่ยวกับพระองค์เราเรียกสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จกระทับ ว่าเป็นเจดีชนิดหนึ่งเจดีก็เป็นสิ่งที่ระลึกเตือนใจเราให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทีนี้เจดีนั้นมีหลายอย่างเจดีย่างหนึ่งก็คือบริโภคเจดีคําว่าบริโภคเจดีก็แปลว่าเจดีคือสถานที่พระพุทธเจ้าทรงใช้สอยหรือเคยใช้สอยมา ก, ก่อนพระคันธกุฎีคือสถานที่พระองค์เคยประทับก็เป็นเสนาสนะคือที่ทรงใช้สอยจึงจัดเป็นปริโภคเจดีหรือบริโภคเจดีชนิดหนึ่งเหมือนกัน เรามานมัส ก, การพระองค์ที่นี่ก็คือมานมัส ก, การปริโภคเจดีย์ซึ่งเป็นเจดีย์ชนิดหนึ่งแต่มีความสำคัญมากในฐานะที่ว่าเป็นที่พระองค์เคยประทับอยู่จริงเมื่อมาอย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็จะได้เกิดความรู้สึกปรับรื่มใจอย่างที่กล่าวแล้วว่าเราในฐานะชาวพุทธเราห่างจากพระองค์โดยการเวลาถึงสองพรอกว่าปีและห่างโดยสถานที่คือเป็น ผู้อยู่ในประเทศไทยซึ่งห่างไกลาจากประเทศอินเดียหรือชมพูทวีปโดยห่างความห่างไกลนั้นทั้งสองประการเนี่ยบัดนี้เรานําตัวเข้ามาอยู่ใกล้พระองค์มาถึงที่ประทับแล้วเมื่อเราน้อมใจล้ำลึกถึงพระองค์เราก็เกิดความรู้สึกปราบปรือใจดังที่กล่าวมาเป็นเครื่องเจริญศรัทธาแล้วก็ศรัทธานี้ก็จะน้อมนําจิตใจของเราให้เจริญงอกงามในธรรมขึ้นแต่ศรัทธาจะเกิดผลดังกล่าวได้นี้ก็จะต้องมีความสัมพันธ์กับปัญญา ศรัทธาในทางพุทธศาสนาท่านให้เกื้อกูลต่อปัญญาประกอบได้ปัญญาและนำไปสู่ปัญญาเสมอศรัทธาของเรานำไปสู่ปัญญาเบื้องต้นก็คือว่าเป็นเครื่องเตือนใจเราให้เราลึกถึงคำสอนของพระองค์พอเราลึกถึงพระพุทธเจ้าใจของเราก็นโน้มนำไปถึงคำสอนของพระองค์ทันทีคือไม่ได้ติดอยู่แค่พระรู ป, ปากายของพระองค์เท่านั้นแต่นึกไปถึงว่าอ๋อสิ่งที่พระองค์ทรงสอนเราไว้ให้เราประพฤติธปฏิบัติ เมื่อเราละลึกถึงพระองค์แล้วก็มาระลึกถึงคำสอนของพระองค์เมื่อร ะ, ะลึกถึงคำสอนของพระองค์ก็จะมีผลในทางปฏิบัติเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราและเมื่อเราปฏิบัตินอกจากมีผลต่อชีวิตของเราแล้วก็มีผลต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ต่อโลกเมื่อทุกคนได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทาตามคาสั่งสอนของพระองค์ก็จะทาให้โลกนี้มีสันติสุขสืบต่อไปศรัทธาจึงต้องนาไปสู่ปัญญา เรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนไว้เสมออย่างเช่นพระสาวกองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลนี้เมื่อโบวมาแล้วก็มีความหลงไหลในพระรูปประกายของพระพุทธเจ้าคือติดในรูปโฉมของพระพุทธเจ้ามาแม้ที่มาโบวชก็โบวด้วยความรู้สึกอย่างนั้นคืออยากอยู่ใกล้ชิดของพระกับพระพุทธเจ้าจะได้เฝ้าพระองค์จะได้ติดตามพระองค์ด้วยไปท่านผู้นี้ก็คือพระวักกัลิโบวเข้ามาแล้วก็ มีความติดใจในพระรูปประโฉมของพระพุทธเจ้าก็คอยติดตามไปโน่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาพระพุทธองค์ทรงมองเห็นความเป็นไปหรือพฤติกรรมของพระวกกะลิอยู่เสมอก็ทรงปรารถนาประโยชน์แก่พระวกกะลิก็เห็นว่าถ้าพระวกกะลิจะมัวติดใจในรู ป, ปรกายพระรูปประโฉมของพระองค์อยู่นี้ก็จะไม่ก้าวหน้าในธรรมอันนี้ก็จะอยู่แค่ในขั้นศรัทธา ควรจะให้ศรัทธานี้นำไปสู่ปัญญาสืบต่อไปคือศรัทธานั้นควรจะเป็นสื่อนำไปสู่ความก้าวหน้าของการปฏิบัติเพื่อชีวิตที่ดีงามของพระวักตริเองพระองค์ก็ทรงรอเวลาการที่พระพุทธเจ้าจะตรัสอะไรนี้พระองค์จะต้องดูความพร้อมของบุคคลเช่นทรงตรวจดูความแก่ของอินทรีหรือความสุขงอมของอินทรีก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสออกไป การจัดของพระองค์นั้นก็นเป็นการให้สติกับพระวักกัลิแต่วิธีจัดของพระองค์บางครั้งก็ใช้ถ้อยคําค่อนขอ้างรุนแรงนิดหน่อยคือว่าเพื่อจะเป็นการทําให้เกิดความสะดุดหรือกระตุกแล้วก็จะทําให้เกิดความรู้สึกที่จะถือว่าเป็นปฏิกิริยาก็ได้แต่ความรู้สึกที่สะท้อนขึ้นมาอันนี้จะนําไปสู่ผลสืบต่อไปข้างหน้าซึ่งถ้าหากว่าชักนําถูกต้องก็จะนําไปสู่ผลที่ดีงาม นวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสกับพระวกระลิบอกว่าดูก่อนวกระลิจะตามดูไปทาไมร่างกายที่เปื่อยเน่าได้นี้แล้วก็ตรัสต่อไปบอกว่าผู้ใดแม้แต่จะจับชายสังคติของพระองค์บุมจีวรของพระองค์นี้ติดตามพระองค์ตลอดไปก็หาได้ประโยชน์อะไรแท้จริงไหม แท้จริงผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราว่างั้นอันนี้เป็นพุทธโที่สําคัญเราก็จํากันท่อนที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราคือหมายความว่าจะมาเพียงแต่ว่าตามรูปกายแล้วก็เห็นพระวรกายของพระองค์นี้ไม่ใช่ว่าเห็นธรรมหรอกไม่ใช่ว่าเห็นพระองค์อย่างแท้จริงด้วยเห็นพระวรกายของพระองค์ยังไม่ใช่ว่าเห็นพระองค์แต่เมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นจึงจะเชื่อเห็นพระพุทธเจ้า นี่พระองค์ตรัสเตือนไวเน้เพื่องว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมหมายความว่าการเห็นพระองค์พระพุทธเจ้ากับการเห็นธรรมนี้ต้องมีความหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะนั้นถ้าหากว่ามัวแต่ว่าจะติดตามพระองค์ในแง่ที่จะมองดูพระวรกายแล้วผู้นั้นก็จะไม่ได้เห็นอะไรนอกจากขันห้าที่มีความแตกดับเสื่อมสลายไปได้ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าติดแท้จริง การที่จะเห็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ต้องเห็นธรรมอันนี้ก็เป็นคำตรัสเตือนที่สําคัญมากนี่แหละก็คือการโยงจากศรัทธาไปสู่ปัญญาหากว่าเราจะใช้ศรัทธาให้เป็นประโยชน์ศรัทธาซึ่งเกิดจากการที่ได้มีความเลื่อมใสในองค์พระพุทธเจ้าอย่างที่เรามานมันส ก, การพระองค์ในสถานที่นี้สถานนี้ก็จะเป็นเครื่องเตือนใจเราให้ระลึกต่อไปถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าคือตัวธรรมะ แล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติธรรมะนั้นก็จะเกิดผลแก่ชีวิตอย่างแท้จริงในประการหนึ่งที่พระองค์ตรัสไว้ก็คือธรรมะในแง่ของความจริงของสิ่งทั้งหลายความจริงของสิ่งทั้งหลายประการหนึ่งก็คือความไม่เที่ยงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปซึ่งการที่เรามานสถานที่นี้หมองในแง่หนึ่งก็เป็นเครื่องเตือนจิตของเราให้เราลึกถึงความจริงข้อนี้ด้วยจะเห็นว่า สถานที่นี้ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระสมมาสัพพุทธเจ้านั้นบัดนี้ก็เหลือแต่ซากนิดเดียวเท่านั้นเองนะซึ่งแม้แต่ซากเหล่านี้ก็คงต้องอาศัยการขุดการแต่งเพราะว่าการผ่านการเวลายาวนานตั้งสอง0กว่าปีแล้วสถานีก็สุดโทรมแตกหักปลักทางไปความเป็นอนิจจังก็เข้ามาครอบงำสิ่งที่เป็นสังขารทั้งหลายและไม่เฉพาะพระคันธกุฎีนี้เท่านั้น องพระพุทธเจ้าเองก็ร่วงรับดับขันธบารนิพนธ์ไปแล้วมองกว้างออกไปแลสถานที่ที่ตั้งของพระคันธ ก, กุฎีนี้ก็คือเมืองราชคลีทั้งหมดเมืองราชคลีนั้นเคยเป็นเมืองหลวงเป็นราชธานีของมหาอาณาจากักรอันยิ่งใหญ่คือแคว้นมคตเคยเต็มไปด้วยผู้คนประชาชนพลเมืองมากมายในเมืองนี้และบัดนี้เป็นอย่างไรบัดนี้ก็ไม่มีอะไร เมืองราชะคลึกก็กลายเป็นที่รกร้างเป็นถิ่นห่างไกลเป็นชนบทเป็นบ้านนอกไปอันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะเห็นได้ในเรื่องของความเสื่อมความเจริญของสังคมของประเทศชาติและอารยธรรมทั้งหลายและแม้แต่สังคมอินเดียทั้งหมดที่เป็นชมพูทวีก็เปลี่ยนแปลงไปประเทศอินเดียนี้เคยเป็นดินแดนของอารยธรรมความเจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์กลางของความคิดสติปัญญา และวิทยาการต่างๆมากมายแต่บัดนี้อินเดียก็ได้เสื่อมสลายลงไปอารยธรรมก็เคยถึงกระจบสิ้นไปยุคหนึ่งจึงท่านกล่าวได้ว่าอินเดียนั้นเคยเป็นอู่คือเป็นแหล่งที่เกิดและที่อยู่ของอารยธรรมที่เจริญของอารยธรรมและต่อมาก็เป็นสุสานของอารยธรรมไปและเวลานี้ก็กลายเป็นตู้โชว์ของอดีตคือไม่มีอะไรที่ดีงามในปัจจุบันแล้วมีแต่เรื่องของอดีตเวลาเรามาชมอินเดีย ก็มาชมสิ่งที่เคยมีหลักฐานแสดงความเจริญในอดีตเท่านั้นเองส่วนปัจจุบันนี้เราก็จะได้เห็นแต่สภาพที่น่าสลดหดหูใจถ้าเราทำใจไม่ถูกก็มีแต่ความหดหูความเศร้าหมองความหมุนมัวหรือบางทีก็พลอยงุดกิดด้วยจิงต้องมีการเตือนกันอยู่เสมอว่ามาอินเดียแล้วทำใจให้ถูกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคติเตือนใจให้ความหมายหลายอย่างในทางสติปัญญา นอกจากให้คติในความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายแล้วยังทำให้เรามองตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาถึงเรื่องความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยเราอาจจะศึกษาถึงสังคมอินเดียด้วยว่าในสมัยพุทธกาลพุทธศาสนาเคยเจริญผู้คนก็เคยมีศรัทธาเรือมใสต่อมาพุทธศาสนาจเจริญยิ่งขึ้นมาในสมัยพระเจ้าทรงมหาราช อุตศาสนาก็แผ่ไพสารประชาชนก็มีความเจริญก้าวหน้าในทางทางด้านวัตถุและทางจิตใจแล้วต่อมาประเทศอินเดียปัจจุบันเป็นอย่างไรสภาพที่เราเห็นอยู่มีความยากจนข้นแค้นต่างๆมีความสกรปกรกรกรุงรังอย่างที่เราเห็นญาติโยมหลายคนก็อาจจะรู้สึกไม่สบายใจถ้าหากว่าเราไม่ได้ทำใจตามคาสอนของพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นไปได้อย่างไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความเสื่อมความเจริญเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะน้อมนํามาพิจารณาให้เกิดประโยชน์เป็นเรื่องทางสติปัญญาทั้งสิ้นแต่เอากันง่ายๆว่าสิ่งทั้งหลายที่ได้เกิดมีขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นี้เป็นพระมว ม, มูลคันธุกดีบนเขาขิเชกูดนิคดีและก็ล่างลงไปที่กว้างออกไปคือตัวเมืองราชาคลีกเราตาม ตลอดพระเจ้กระทั่งที่เราผ่านมาก็คือมหานาจกรมรมคดทั้งหมดชมพูทวีปทั้งหมดที่มีเมืองปาตลีบุตรของพระเจ้าโศกเป็นศูนย์กลางนั่นซึ่งจเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าที่นี่อีกเพราะว่าตอนสมัยของพระเจ้าโศกมหาราชนั้นชมพูทวีปแผ่นมคตนี้แผ่ภัยารไปมากมายจนได้กล่าวแล้วว่ายิ่งใหญ่กว่าประเทศอินเดียในยุคปัจจุบันหรือในยุคใดๆก็ตามของชมพูทวีปในปัจจุบันนี้ไม่ว่า ราชคลีหรือปาตลีบุตรปั ต, ตนานั้นก็มีแต่ความเสื่อมโสมทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่แสดงถึงความเจริญถ้าไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีนักคน้นคว้าโบราณคดีมาแสดงคนก็ไม่รู้ว่าราชคลีอยู่ที่ไหนเมืองปาตลีบุตรอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้สูญหายสลักหักพังล่มไปหายไปพร้อมกับการเวลาทั้งสิ้นในมหาอานาจต่างๆก็หมดไปได้พระ เ, เจ้า เคยเตือนเราด้วยคำสอนตั้งแต่สมัยพุทธกาลจารึกไว้ในพระไต ร, รปิฎกพระองค์เคยตรัสเล่าถึงเรื่องของอาณาจักรยิ่งใหญ่ในอดีตมากมายอย่างบางพระสูตรนี้ก็ตรัสถึงเมืองใหญ่ๆอย่างมหาสุทัศนสูตรก็ตรัสแสดงถึงเรื่องของเมืองกุสาวดัดดีเรื่องของมหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตตรัสพรรณนาความรุ่งเรืองความงดงามใหญ่โตของสิ่งก่อสร้าง ของพระราชวังอะไรต่างๆมากมายแล้วเสร็จแล้วท้ายที่สุดพระองค์ก็ตรัสบอกว่าบัดนี้สิ่งเหล่านี้ก็ได้สูญสลายหมดสิ้นไปกับกาลเวลาแล้วนี่แหละความเป็นอนิจจังและบางแห่งก็ตรัส ถ, ถึงเรื่องของความเป็นไปในพระชนม์นชีพของพระองค์เองว่าพระองค์เองนี้ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสมัมมาสัม พ, พุทธเจ้ามีมหาสาวกมีพระสาวกมากมายแวดล้อมเป็นบริวารแล้วพระองค์เองตามที่ปรากฏ ในทางรู ป, ปรกายพระวรากายมีความงดงามมีฉับพลันลังสีสเสด็จไปบำเพ็ญพุทธกิจในที่ต่างๆพระองค์ก็ตรัสถึงความรุ่งเรืองแห่งประชชนชีพของพระองค์แล้วในที่สุดพระองค์ก็ตรัสบอกว่าในที่สุดแล้วพระองค์ก็จะต้องจากไปสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสังขารมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาจะต้องสูญสิ้นไปเกิดแล้วก็แตกดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็เป็นเรื่องของ การที่ว่าพระองค์จะตรัสเตือนเราเนี่ยให้น้อมล้ำลึกถึงธรรมะความจริงของสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้มาอย่างสถานที่ที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์อย่างนี้แล้วในแง่หนึ่งก็มีความเจริญศรัทธาว่าเราได้มาเฝ้าพระองค์ถึงที่ประทับของพระองค์อันนั้นได้ความล่วใสที่มีต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องของศรัทธาแต่ก็พร้อมกันนั้นศรัทธานี้สําหรับชาวพุทธนั้นก็ไม่ตันอยู่แค่นั้น ก็จะนําไปสู่ปัญญาที่ขั้นที่หนึ่งก็คือว่าเราลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ส่งสั่งสอนไว้เราน้อมนำมาประพฤติธปฏิบัติเราต้องการจะบูชาพระพุทธเจ้าเราก็เอาดอกไม้ทุบเทียนมาบูชาพระองค์ก็ตรัสเตือนไว้อีกบอกว่าเออการบูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนเป็นอามิสบูชานี้ยังไม่ใช่การบูชาที่มีผลมากแท้จริงนะจะบูชาให้ได้ผลแท้จริงแล้วจะต้องบูชาด้วยการปฏิบัติ คือการนำธรรมะของพระองค์มาทําให้เกิดผลในชีวิตของเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นปฏิบัติติบูชาก็เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าธรรมบูชาคือการบูชาด้วยธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมนั่นเองอันนี้ถ้าเราทาได้สําเร็จแล้วการมานมัส ก, การสถานที่สําคัญมีสังเวชนีสถานเป็นต้นก็จะเกิดผลเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงนอกจากนั้นแล้วก็น้อมนําจิตไประลึกถึงธรรมะในความหมายอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่า ลึกถึงความจริงของสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราก็จะได้ไม่ฝากเอาชีวิตและความสุขของเราไว้กับสิ่งทั้งหลายที่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล่วงรับไปแตกดับไปเราก็เห็นเห็นกันอยู่ไม่ใช่เฉพาะแต่มหาอานาตจาเรามองในแง่สังคมว่าสังคมเสื่อมสลายไปนะเรามองตั้งแต่องค์พระพุทธเจ้าก็ปรินิพานสิ้นไปพระมหาสาวกทั้งหลายกี่องค์กี่องค์ มหาสาวกแปดสิบองหรือพระสาวกกี่องก็ตามก็ปรินิาพานไปหมดแล้วต่อมาอาณาจักรเองทั้งอาณาจักรมคตในสมัยราชคลืก็สลายไปอาณาจักรมคตในยุปปาตลีบุตรก็สลายไปแต่เราจะบอกว่าอ้อสิ่งที่ยังอยู่ก็คือนั่นดูสิแม้อาณาจักรเหล่านี้จะสูญสิ้นไปผู้คนสังคมหมดไปแต่ว่าภูเขายังอยู่ดินยังอยู่ฟ้ายังอยู่เนี่ยท่านยังเห็นเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือสิ่งเหล่านี้ ดินน้ำลมไฟภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไปดูมองออกไปอย่างทะเละก็ยังมีเชื้อเลือแต่ทะเลหรือแต่น้ำแต่ในทะเลนั้นก็ยังมีน้ำสัดเป็นคลื่นสัดฝั่งอยู่ตลอดเวลาแม้อาณาจักรทั้งหลายจะผ่านพ้นล่วงรับไปสูญสิ้นไปแต่ว่าธรรมชาติก็ยังคงทำหน้าที่ขึ้นมาเช่นว่าเราไปยืนที่ฝั่งทะเลนี้เห็นคลื่นสั์ฝั่ง คือซัดฝั่งนี้มันทําหน้าที่ของมันอยู่ตลอดเวลาสองพันสามพันกว่าปีมาแล้วฉันใดเดนี้ก็ย่าทําอยู่ของมันอย่างนั้นะการเวลาผ่านไปมนุษย์ล่งรับไปอาณาจักอรอารยธรรมต่างๆผ่านพ้นไปขึ้นทะเลก็ยังซัดฝั่งอยู่ตามเดิมเหมือนกับว่าธรรมชาตินี่แหละที่ตัวยืนยงกว่าแต่ว่ามองไปอีกทีหนึ่งแม้ธรรมชาติเหล่านี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออย่างภูเขาดินน้ําลมไฟนี่มันก็ไม่ได้คงสภาพอยู่ ภูเขาก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าอาศัยการเวลายาวนานอย่างเราจะเห็นง่ายๆนี่เราจะเดินทางต่อไปอีกเราเดินทางต่อไปในที่ต่างๆอีกมากมายนี่อีกไม่ช้าเราก็จะไปเห็นเช่นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นต้นที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ก็ที่แม่น้ําในรัญชลาพอไปเห็นที่นั่นเราก็จะได้คติขึ้นมาอีกที่นั่นก็มีแม่น้ําที่พุทธเจ้าเคยประทับ แน่นอนและสถานที่บริเวณสิ่งแวดล้อมนั้นเปลี่ยนไปแต่ว่ามีดินมีน้ํามีแม่น้ําอยู่ตรงนั้นแม่น้ําในรัญชลาแต่ว่าแม่น้ําในรัญชลาปัจจุบันนี้ก็ไม่เหมือนอย่างเก่าแล้วไม่เป็นแม่น้ำแล้วแต่เป็นแม่ทรายนีคือว่าน้ํามันไม่เหลืออยู่เรามองไม่เห็นน้ําเลยเห็นแต่ทรายเดินลงไปเราสามารถเดินข้ามแม่น้ําได้เพราะว่ามันมีแต่ทรายเท่านั้นนั่นก็คือความเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลาย แม้แต่ธรรมชาติแวดล้อมดินน้ำลมไฟมันก็เปลี่ยนสภาพของมันเปลี่ยนแปลงไปในรูปต่างๆได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมองอะไรนี่มันก็เป็นอนิจจังทั้งสิ้นมีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปคติเหล่านี้ก็นํามาสอนใจของเราว่าเราอย่าเอาชีวิตความสุขของเราไปฝากไว้กับสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นของไม่เท่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะต้องเร่งสร้างความดีงาม สิ่งที่ประเสริฐให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราด้วยการปฏิบัติธรรมะธรรมะท่นั้นที่จะทําให้เราเข้าถึงความดีงามชีวิตที่ประเสริฐถ้าเรามัวเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกทรัพย์สินเงินทองสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมอะไรต่งตางๆเหล่านั้นมันจะไม่ได้สาระที่แท้จริงเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ร่วงลับดับสลายไปหมดทําไงเราจะเข้าถึงสาระที่แท้จริงได้ตัวศาสนาความจริงเท่านั้นที่จะทําให้เราเข้าถึงสาระอันนี้ พระองค์ก็ทรงนําไว้เป็นแบบอย่างแล้วด้วยการที่พระองค์ได้เข้าถึงธรรมะความจริงของสิ่งทั้งหลายนี้พระองค์ซึ่งเป็นมนุษย์ผู้หนึ่งเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าเข้าถึงธรรมะเป็นสิ่งประเสริฐและพระองค์ก็สั่งสอนตรัสเตือนเราอยู่เสมออย่างคติในตามพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักการสําคัญที่เราสวดกันอยู่ญาติโยมก็อาจจะได้ยินพระสงฆ์สวดอยู่บ่อยๆเมื่อไปวัด มีระสูตรหนึ่งที่ตัดบอกว่าอุปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาสาธาธุธรรมมติตาธรรมนิยามตาเป็นตนซึ่งมีใจความบอกว่าตถาคตทั้งหลายจะอุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามสิ่งทั้งหลายความจริงตัวธรรมะมันก็เป็นอยู่เขมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรมะผานจริงหลักที่เป็นธรรมนิยามอันนั้นแล้ว ก็ทรงนำมาเปิดเผยแสดงชี้แจงทําให้เข้าใจได้ง่ายอันนี้แหละคือตัวความจริงที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเพียรพยายามมาเป็นพุทธกิจสั่งสอนเราก็เพื่อให้เราเข้าถึงตัวธรรมะนี้ไม่ใช่ว่าไปอยู่แค่ติดตามพระองค์เท่านั้นการที่มีพระพุทธเจ้านั้นความมุ่งหมายและประโยชน์ของพระองค์ที่แทนนั่นก็คือพระองค์ถือว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่จะช่วยนําเราไปเข้าถึงความจริงนั้น ธรรมะคือความจริงนั้นก็มีอยู่เป็นอยู่ปรากฏอยู่ตลอดเวลาตามธรรมดาของมันแต่เราไม่มีปัญญาไม่มีดวงตาปัญญาที่จะมองเห็นธรรมะได้อย่างพระองค์พระองค์มีสติปัญญามาค้นพบธรรมะนั้นนาธรรมะมาแสดงเราได้ฟังคําสอนของพระองค์ได้มองตามที่พระองค์ได้ทรงชี้ให้แล้วเราก็สามารถเข้าถึงความจริงนั้นได้เมื่อเราเข้าถึงตัวธรรมะความจริงแล้วเราก็เห็นธรรมะ อันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นนั่นเองเมื่อเห็นธรรมะเข้าถึงธรรมะที่พระองค์เห็นแล้วเราก็จะมีชีวิตที่ดีงามประเส ร, ริฐเข้าถึงสิ่งที่สูงสุดเช่นเดียวกับพระองค์แล้วก็เราก็จะเป็นอิสระพระพุทธเจ้าทรงมีหลักการสําคัญที่ว่าไม่ต้องการให้สาวกหรือผู้ใดมาติดพันขึ้นอยู่กับพระองค์เพียงแต่ว่าอาศัยพระองค์เป็นสื่อเป็นผู้ที่ช่วยชักนําไปสู่สิ่งที่ดีงามคือเข้าถึงธรรมะนั่นเอง อันนั้นก็พระพุทธเจ้าทรงย้ำนักหนาอันนี้การทําหน้าที่ของพระองค์ก็จึงเริ่มต้นในศรัทธาเรามีศรัทธาในพุทธองค์ก็ทําให้เราฟังคําสอนของพระองค์และจากการที่ฟังคําสอนของพระองค์เราก็เลยเข้าถึงความจริงธรรมะที่พระองค์ทรงเข้าถึงมาแล้วด้วยปัญญาของเราเองเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทรงเข้าถึงแล้วเพราะฉะนั้นศรัทธาจึงน้อมนําไปสู่ปัญญาอันนี้คือประโยชน์ที่แท้จริงในการที่นับถือพระพุทธศาสนา นั้นเราเนี่ยได้เดินทางมาอย่างสถานที่นี้แล้วเราได้มาเจริญศรัทธาอันนั้นจะเป็นประโยชน์มากศรัทธามีกำลังแรงกล้าขึ้นก็จะทำให้เรามีกำลังมีกำลังใจเข้มแข็งในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการปฏิบัตินั้นก็จะหนักแน่นจริงๆัและอีกประการหนึ่งที่ควรจะเป็นข้อคิดก็คือว่า ในแง่ของการที่เราจะเข้าถึงธรรมะของพระองค์ให้เข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐสําหรับชีวิตขเขานี่เป็นส่วนตัวของแต่ละคนละคนซึ่งเราทุกคนมีหน้าที่สำหรับชีวิตของเราเราควรจะต้องเข้าถึงสิ่งที่ดีงามที่สุดที่ประเสริฐสุดของชีวิตคือการเข้าถึงธรรมะแล้วก็ทําให้ได้รับผลแห่งอมตะคือจุดหมายของพระพุทธศาสนาแต่พร้อมกับ น, นั้นในแง่ของ ธรรมะอีกด้านหนึ่งก็คือธรรมะที่เกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับการดำรงอยู่ของหมู่มนุษย์อันนี้พระพุทธเจ้าตัดไว้ในแง่ของความเป็นไปของสรรพสิ่งที่เป็นสังขารที่เราจะเรียกภาษาง่ายๆว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นไปเนี่ยมันก็เป็นไปนตามเหตุปัจจัยมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังตอนนี้อนิจจังอันหนึ่งคือความเปลี่ยนแปลงที่มาเกี่ยวกับตัวมนุษย์ คามเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับมนุษย์และสังคมมนุษย์เนี่ยเรามีศัพท์เรียกพิเศษคือความเปลี่ยนแปลงที่เป็นกลางๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในด้านหนึ่งใ้ถูกใจมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปอีกด้านหนึ่งไม่ถูกใจมนุษย์ที่จริงในแง่ของธรรมชาติแล้วมันเป็นความเปลี่ยนแปลงเป็นกลางๆไม่เข้าใครออกใครคือธรรมชาตินี้ไม่ได้ดีได้ร้ายในตัวก็มันเองในแง่ของกฎความเป็นอนิจจงตัวอนิจจังทุกขังรัตนานั้นเป็นกฎธรรมดาธรรมชาติ ไม่ดีไม่ชั่วแต่ปรากฏแก่มนุษย์ในแง่ที่ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเป็นที่ปรารถนาความเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่เป็นที่ปรารถนาความเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนากันมากก็คือความเจริญความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ปรารถนาก็คือความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงจะเรียกว่าเป็นความเสื่อมหรือความเจริญก็ตามนั้นเป็นเรื่องของมนุษย์เดี่ยวพันกับมนุษย์ อันนั้นมนุษย์นี่เป็นตัวเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญแล้วก็มนุษย์ที่จะมาเป็นเหตุปัจจัยนี้ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญานำเอาความรู้ในความจริงขอธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ <c oughs> ก็จะนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่พึงประสงค์สำหรับตนได้ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์เกิดจากการทำเหตุปัจจัยนี้ก็จะทำให้เกิดความเจริญ เะนั GRANT, ้นมนุษย์ที่มีสติปัญญาเข้าถึงธรรมะแล้วจะได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือเขาสามารถที่จะใช้ความรู้ในการเข้าถึงเหตุปัจจัยนั้นมากระทําเหตุปัจจัยในทางที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่พึงปราถนาที่เรียกว่าความเจริญพร้อมกันนั้นเขาก็สามารถรู้เข้าใจเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าความเสื่อมและได้ความรู้นั้นเขาก็สามารถป้องกันแก้ไขกําจัดเหตุแห่งความเสื่อมนั้นได้ ในการที่เขาสามารถแก้ไขป้องกันกําจัดเหตุปัจจัยของความเสื่อมและสร้างเหตุปัจจัยแห่งความเจริญนี้เขาก็สามารถทําให้สังคมแม้แต่ชีวิตของตนเนี่ยมีความสุขความเจริญดีงามยิ่งขึ้นไปได้อันนี้เป็นจุดสําคัญในคําสอนอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ว่าเหตุปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นความเสื่อมความเจริญนี้มนุษย์มีส่วนที่จะเข้าไปจัดการได้และ น, นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่มีปัญญาเข้าถึงธรรมะ นำมาความรู้ในธรรมะในเรื่องเหตุปัจจัยมาใช้ประโยชน์พระพุทธเจ้าตรัสถึงกับว่าถ้าหากว่าเรารู้จักปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องแล้วเนี่เราจะสามารถสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติของเราเนี่ยให้มีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมก็ได้อย่างเช่นหลักอปริยนานิยธรรมเป็นต้นพระองค์ก็ตรัสไว้ว่าเนี่ยธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความไม่เสื่อมหรือธรรมะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมพระองค์ก็ตรัสเป็นหลักประกันไว้ว่าตราบใดที่ ภิกษุทั้งหลายยังประพฤติปฏิบัติตั้งอยู่ในอปริหานิยธรรมก็ผึ่งหวังได้แต่ความเจริญไม่มีเสื่อมเลยหรืออย่างตรัสกับชาวบ้านทางฝ่ายบ้านเมืองก็จัดไปก่อนแล้วก็คือตรัสแก่พวกกรรษัตริย์ลิชวีแควนวัชีที่เราผ่านมาแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าถากว่ากรรษัตริย์ลิชวีชาวแคว้นวัชียังตั้งอยู่ในอปริหานิยธรรมเจ็ประการที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ ชาววัตชีก็จะมีแต่ความเจริญไม่มีความเสือ่อมไม่มีใครสามารถไปทํำลายได้อันนี้ก็เป็นการนําธรรมะมาใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งก็แปันว่าเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องเกี่ยวกับคติธรรมดาของสังขารการเข้าถึงความจริงทังสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีปกติที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตแต่และชีวิตแต่และบุคคลก็คือว่าเราจะมัวฝากความหวังฝากชีวิตความสุขของเร า, เาไว้ กับสิ่งทั้งหลายที่เป็นสังขารภายนอกอันไม่เที่ยงแท้อันไม่เป็นสาระที่แท้จริงแล้วควรจะเข้าถึงธรรมะที่เป็นสาระเป็นแก่นสารที่แท้จริงที่จะทำให้ชีวิตมีความสดเสริมเลิศมีความสุขไร้ทุกข์ได้มีความหลุดพ้นเป็นอิสระนี้แต่ละคนแต่ละชีวิตพร้อมกันนั้นก็สามารถน้อนมนำเอาความรู้ในธรรมะคือสติปัญญาที่รู้ธรรมะเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการที่ว่า จะสร้างสรรสังคมทําให้สังคมนี้มีความเจริญงอกงามไม่เสื่อมการที่จะทําให้สําเร็จอย่างนี้ด้วยการตั้งในธรรมก็มีหลักสําคัญคือความไม่ประมาทดังนั้นพระพุทธเจ้าจะจัดย้ําหลักธรรมนี้ไว้เสมอแต่ว่าสาระสําคัญในวันนี้ก็คือการโยงจากเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งถ้าเราเข้าใจปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วนี่จะได้รับประโยชน์เป็นอันมาก จุดที่จะต้องย้าก็มีสองส่วนอย่างที่กล่าวมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับชีวิตของแต่ละคนที่ให้เข้าถึงสิ่งดีงามประเสริฐแล้วก็มาช่วยกันสร้างสรร์สังคมให้สังคมหมู่มนุษย์นี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปอย่างที่พระองค์รับประกันไว้แล้วถ้าเราได้เข้าใจเหตุปัจจัยของความเสื่อมความเจริญและปฏิบัติตามนั้นโดยไม่มัวแต่ทอดทิ้งสติไม่มัวแต่ ปล่อยปละละเลยลุ่มหลงโมเมาเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้เกิดแต่ความเจริญไม่มีเสื่อมก็ได้ น, นี่ก็เป็นการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์นั่นเองมองในแง่ของสังคมแต่ที่กล่าวมานี้และอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นสําเร็จนั้นต้องอาศัยปัญญาด้วยแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นและทํางานได้ผลดีก็ต้องอาศัยศรัทธาด้วยวันนี้เราก็ได้มาที่นี้แล้วศรัทธานั้นเป็นตัวนําเรามา ศรัทธาได้นำตัวเรามาจกนกระทั่งถึงสถานที่นี้แล้วมานมัส ก, การสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับเมื่อศรัทธาได้ทำหน้าที่เขามนาอย่างดีนี้แล้วก็ขอให้ศรัทธานั้นได้ยังผลให้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปก็คือมาเชื่อมต่อปัญญาปัญญาที่จะเข้าถึงธรรมะดังที่กล่าวมาแล้วแล้วก็คำสอนของพระพุทธเจ้าที่จัด แก่พระวักรลิีก็จะเกิดผลกับตัวเราด้วยอย่างที่กล่าวมาแล้วว่ายาัวติดหลงอยู่แค่รู ป, ปกายของพระองค์เท่านั้ น, นผู้ใดแม้แต่ว่าเกาะชายสังกติของพระองค์ตามไปอยู่ตลอดเวลาก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์การที่จะเห็นองค์พระพุทธเจ้าก็คือการเห็นธรรมแต่การที่จะเห็นธรรมได้ก็ต้องอาศัยพระพุทธองค์นั่นแหละพระวรากายของพระพุทธเจ้านี้ทรงเสด็จเคลื่อนไหวไปนิที่ต่างๆก็นำเอาธรรมะไปด้วย นำเมาธรรมะไปไประกาศเราได้เข้าฟฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยเป็นโอกาสให้เราได้ฟังธรรมะของพระองค์จากการฟังธรรมะของพระองค์เราก็สามารถเข้าถึงธรรมพอเราเข้าถึงธรรมนั่นคือศรัทธานำไปสูป่ปัญญาก็จะเกิดผลงอกงามอย่างที่กล่าวมาวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมญาติทุกท่านที่ได้เดินทางมาด้วยศรัทธาก็ขอให้ทุกท่านเนี้ยมีปีติมีความอิ่มใจ ว่าเราจะทุกอยากลําบากอะไรแค่ไหนซึ่งที่จริงเราก็มีความสะดวกมากทีเดียวแหละเราเดินทางมาถึงที่นี้เราสละเวลาสละเรี่ยวแรงกําลังกายและทุกอย่างมาสละกาลังทรัพย์ด้วยมาก็ถึงจุดหมายแห่งหนึ่งและนี่ก็เป็นจุดสุดยอดแห่งหนึ่งในการเดินทางของเราเราบรรลุวัตถุประสงค์นี้ก็ขอให้โยมเนี่ยได้เกิดความสมใจปรารถนาเกิดความปิติอิ่มใจดังที่กล่าวมาแล้วความปิตินี้จะเป็นเครื่องบํารุงน้ําใจ คนที่มีปิติมีความอิ่มใจแท้จริงนี่สามารถอดอาหารได้ น, น, นานๆเรียกว่ามีปิติเป็นพักษาก็ว่าปิติก็เป็นความอิ่มช น, นิดนึงอ่ะคนเรารับประทานอาหารก็ให้อิ่มแต่ว่าอิ่มกายอิ่มกายแล้วเราก็ดํารงรักษาร่างกายของเราไว้ได้ทีนี้อิ่มใจก็เหมือนกันถ้าอิ่มใจนี่ก็ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตของเราทําให้เราอยู่ได้นานๆาเรียกว่ามีปิติเป็นพักษาแล้วปิติหล่อเลี้ยงใจนี่มันมีผลดียิ่งกว่า อาหารที่ทำให้มีความอิ่มกายอิ่มกายบางทีใจไม่สบายก็หน้าตาก็ไม่สดชื่นไม่ผ่องใสทั้งทที่มีอาหารกินดีแต่ว่าหน้าตาไม่อิ่มเอิบไม่ผ่องใสแต่ถ้าอิ่มใจนี่ทำให้หน้าตายิ้มย่องผ่องใสมีความสุขที่แท้จริงได้อันนี้จึงเป็นส่วนที่สำคัญถ้าโยมถือว่าปีตินี่เป็นส่วนใจเราต้องมีทางกายด้วยก็ขอให้ปีติอิ่มใจนี่มาเป็นส่วนเติมเต็ม ให้ความอิ่มกายนี่ได้ผลสมบูรณ์เป็นชีวิตที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจด้วยก็ขอให้โยมได้นํานทำใจให้เกิดปีติปรุงแต่งใจในทางที่เป็นกุศลเรียกว่าเป็นปุญญาพิสังขารอย่าไปปรุงแต่งเป็นบาปเป็นอกุศลเรามาถึงนี่เน้นเราได้มีโอกาสที่จะปรุงแต่งใจได้ปุญญาภิสังขานทําใจให้เป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลนี้จะปรุงแต่งให้ชีวิตของเรามีความเจริญพัฒนายิ่งขึ้นไปก้าวหน้าในธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้าและประสบความสุขความเจริญยิย่งขึ้นไปก็ขออนุโมทนาโยมผูธธธ้สัตย์ไทยครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเอากําลังใจมาร่วมอวยพรโดยอ้างอิงคุณพระพุทธนรจัยโดยเฉพาะมาถึงสถานที่พระพุทธเจ้าเคยประทับในที่นี้แล้วก็ขออ้างพุทธานุภาพนี่แหละเป็นเครื่องอํานวยพรแด่โยมญาติมิตรทุกท่านพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์พร้อมทั้งกุศลมีศรัทธาแหลงกล้าพร้อมทั้งปีติเป็นต้นที่ตั้งขึ้นในจิตใจของโยมผู้ศรัทธาทุกท่านจงเป็นปจนัจจัยอันมีกําลังอภิบาลรักษาให้ทุกท่านเจริญด้วยจัตุรพิทผ่อนชัยมีกําลังกายกําลังใจกําลังสติปัญญาพร้อมที่จะดําเดิน และดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จวัฒนาสถาพรร่มเย็นงอกงามในพระธรรมของพระสมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยโท่กันตลอดการทุกเมือ่อเทอนสาธุ